ขอความสุขความเจริญจะมีและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรที่จะกล่าวมาในวันนี้ก็เป็นพระสูตรที่อกอกใหญ่โตโมโหฬารมากแต่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินธรรมเนียมโบราณสมัยก่อนที่ก็เรียกว่าสวดอาตานาสี่มุมเมืองนะฮะเวลามีอันตราย่ายหาอะไรต่ออะไรลงก็ทําพิธีอาตานาก็เรียกว่าสวดอัตานาสี่มุมกระแพงพระนคร เป็นการใหญ่พระสูตรนี้เราเรียกว่าอาตานาติยะสูตรกระสูตรที่ว่าด้วยอาตานาติยะนะฮะเขาไม่เาไม่แปลออกแล้วว่าที่จริงก็เป็นคล้ายๆกับเป็นอำนาจที่จะป้องกันพยานอันตรายจากอมนุษย์ทั้งหลายแต่เขามากักจะทับเป็นอาตานาไปเลยรู้สึกมันขลังดี มีข้อความในตอนต้นว่าในคืนตอนดึกคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคกุลที่ผูเขาคิจกุตท้าวจาตุมาราชทั้งสี่ท้าวกุเวนท้าววิรุฬหกท้าววิรุฬปักใ น, นีก็ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับท้าวกุเวนนั้น ก็เป็นเจ้าแห่งแห่งผีนฮะแล้วก็เจ้าแห่งยักษ์ด้วยไล้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพวกยักษ์ทั้งหลายนั้นจานวนหนึ่งก็นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าจานวนหนึ่งก็ไม่นับถือแต่าคนที่ไม่นับถือนั้นมากแล้วท่านก็ให้เหตุผลดีท่านบอกว่าคนที่ไม่นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพราะว่าพวกอมนุษย์เหล่านี้ ชอบเบียดเบียนเข้นฆ่าสัตว์อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไป ใ, ให้ประพฤติผิดในทางการมชอบโกหกชอบใส่ร้ายชอบซ้อเสียดก็ชอบมอมเมาหรือดื่มสิ่งที่ปืนเมาแต่พระพุทธเจ้ากลับสอนในทางที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นบางคนเห่านั้นจึงไม่ชอบไม่นับถือพระพุทธเจ้า ไอไม่นับถือเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีบางพวกที่ไปเบียดเบียนคนซึ่งนับถือพระองค์และสัตว์โตกเราอื่นเพราะนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหมดก็มาประชุมกันเพื่อขอให้พุทธบริษัทนะคือที่จริง ใ, ใช้กำว่าพุทธบริษัทได้สูตรคาถาเพื่อป้องกันขจัดอันตราย ที่เกิดขึ้นจากอมนุษย์เหล่านั้นแล้วท่านก็นได้เล่าถึงว่าเมื่อเราสวดไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยสวดส ว, ดวพระสูตรที่จะว่าต่อไปแล้วเนี่ยมันจะมีการรายงานขึ้นไปโดยลำดับออเข้าทีน ะ, ะโครงสร้างทางการบริหารเท่าจะตูมาราชเนี่ก็เข้าทีรายงานการลดหลั่นลงไปจนถึงพระองค์ แล si ้ในที nee, But, ่ส ah ุดก็จะมีการพิจารณาโทษของคนของอมนุษย์คือพูดง่ายว่าอมนุษย์แต่คําว่าอมนุษย์ที่จริงไม่ใช่คําหยาบนะฮะอมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์อ่ะไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นอมนุษย์ทั้งนั้นแหละพรหมมันก็เป็นอมนุษย์เทวดาก็เป็นอมนุษย์เราก็ใช้ง่ายๆไปเลยว่ามนุษย์อมนุษย์จบเลยนอกจากมนุษย์ก็คืออมนุษย์เพื่อลงโทษแก่ออมนุษย์เหล่านั้น แล้วต่อไปท้าวเจตุมาราชอีกสท่านท้าวตระท้าววิรุฬหกท้าววิรุลปักท้าวตระทท้าววิรุฬหกท้าววิรุลปัก 6, ป ก, ก็กราบทูลโดยสรุปนะครแต่ก็มีแปลกอย่างสามองค์นี้บอกว่าเป็นมหาราชผู้ใหญ่มีพระโอรสมากมีเก้าสิบองค์ลูกเท่ากันเมียกี่คนไม่บอกชื่ออินทั้งหมด อินนามามหิทธิการนะฮะชื่อว่าอินมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากตอนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ที่มหาสมัยสูตรก็พูดอย่างนั้นกนกันแล้วก็มียักษ์เสนาบดีในตำแหน่งต่างๆอีกมากเรื่องเหล่านี้เวลาเราสวดเต็มสูตรเขาเรียกว่าอาตานาสวดพิธีอาตานาี่วาเนี่ย เราจะได้ยินคำามายักโควายัคโกโตโกวายัคกินีวาอะไรก็วากันเยอะแยะไปหมดเลยสวดดังๆนะมีกระแทกพัดโครมๆครมด้วยคู่ผีตีผีก็กลัวตีก็ผีไม่กลัวก็ไม่แน่แล้วแต่ว่าใครสวดทีนี้เท้าจตุมาราชทั้งสี่เนี่ยาก็กราบทูลพระพุทธเจ้าโดยสรุปว่าท่านเองนั้นก็ได้นอบน้อมต่อพระราชนาจัย แล้วก็พยายามเชิญชวนชักชวนพวกปริวานให้มีการนอบน้อมต่อพระรัตนใจแล้วก็บูชาพระรัตนใจแต่บางคนก็ทาบางคนก็ไม่ทา เ, เพราะงั้นคนไม่ทำาก็มีปัญหาอย่างที่ท้ากุเวนได้กราบทูลไว้ในตอนตน้นแล้วในที่สุดท่านก็ให้พระคือคือคือว่าให้ชาวพุทธเราเนี่ยสวดอาตานาติยะสตุ สิ่งที่ท่านเริ่มต้นที่เป็นคาถาจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือหมายความว่าเป็นเป็นคาถานะฮะไม่ใช่พ ล, ลความไอเรื่องราวที่เล่าก็เริ่มจากวิปัสสิสนมัตุจักุมันตสิศศริมาโตนะฮะที่เขาเรียกว่าวิปัสสิตวิปัสสิตมีลักษณะโบราณนี่ก็ถือว่าเป็นคาถากันผีโดยเนื้อหาแล้วก็แสดงความรอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเจพระองค์ คือพระวิปัสสีพระพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสุภูประโกนาคมพระกัดศพพระโคดมแล้วก็ต่อไปก็เป็นพระอิริยมิตรัยก็นอบน้อมนมัสการต่อพระพุทธเจ้าเจพระองค์ซึ่งหมายความมันก็ข้าไอพัตตะกับนี้นะฮะพระพัตตะกับนี้เรามีเพียงเพียง5องค์เพียงเพียงสองค์ก็ยังอีกอีกององค์ที่หยังไม่มาอุบัต ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสพระองค์เออทั้งทั้งทั้งเจพระองค์ในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็มีการสรรเสริญพระคุณคือจุดเด่นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เช่นว่าวิปัสสินามัถุจักขุมนตัสสิริมโตพระวิปัสสีนั้นเป็นผู้มีจักษุและทรงไว้ซึ่งพระสิริแสดงว่า เป็นคุณสมบัติที่สาธารณะแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วไปต่อไปก็สรุปรวมพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ตอนสุดท้ายนะฮะเอเตจันเยจะสมพุท ธ, ธานี่คคือแสดงถึงขออนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งเพระองค์จะป้องกันขจัดอุปั ต, าตาวัรตรา ย, ท, ายทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นจากพวกอมนุษย์ทั้งหลายและแม้แต่จากสิ่งอื่น จากนั้นก็มาสรุปรวมเป็นคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดละเอเตจันเ ย, ยสามพุท ธ, ธาเนี่ยคือคือคือเอาพระพุทธเจ้าก็ย้อนนะฮะเพราะงั้นเวลาสวดใหญ่ที่ที่เราสวดใหญ่แต่ว่าปัจจุบันเราไม่ค่อยได้ยินนะฮะว่า ม, มันยาวเลยกันขึ้นน่นขึ้นไปตั้งต้นมา28พระองค์นะตันถังกโรมหาวีโรเมทังกโรมหามหายโสสรนังกโรโลกะหิโตโนี่ฮะ ก็ขึ้นมาจากนั้นแล้วก็มาต่อมาปวิวิปัสสีก็ ส, ส, สรุปเป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์เวลาเราสวดใหญ่นะฮะอาัตานาเล็กอาัตานาใหญ่ยังมีเรียกอาัตานาเล็กอาัตานาใหญ่ถ้าใหญ่มันก็ขึ้นหมดเลย28พระองค์แต่เล็กก็ขึ้นแค่แคพระวิปัสสตีต่อจากนั้นจะแสดงคุณลักษณะของพระรัตนตรยัย ก็ทํานองเดียวคล้ายๆกับที่เราที่แสดงไว้ในพระสูตรต่างๆที่ว่ามาแล้วนะฮะเพราะพระคุณของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในขอบข่ายของปัญญากรุณาปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาในตอนสุดท้ายก็มาจบลงที่ตรงเนี้ฮะสะพีติโย ว, วัชชนตุเนี่ยและสิยโย ว, วัชชนตุคาถาที่อนุโมทนาเวลาเราทำบุญแล้วก็ต่อกันหลายตอนด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้เวลาเรา นำมาสวดแล้วก็นำมาสวดเฉพาะวิปัสสิตแล้วก็จบชื่อพระพุทธเจ้าเจ็พระองค์ก็จบไม่ขึ้นเอเตจันเยจะสามพุท ธ, ธาเราแสดงว่าเฉพาะเนื้อหาที่เป็นพวกคาถานะฮะเป็นเป็นเป็นการอ้างอนุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็นำมาสวดประมาณหนึ่งในสของเนื้อหาทั้งหมดถ้าจะตูมาราชกราวทูล พระพุทธเจ้าบอกว่าให้พระสาธยายหรือให้ชาพุทธนั้นสาธยายในเรื่องเหล่านี้แล้วถ้าหากว่าเมื่อสาธยายใครยังสามารถก้าวร้าวคือล่วงอาณาเข้ามาได้เนี่ยก็จะมีการแจ้งโดยอมนุษย์เหล่าอื่นนะคือคือพวกบริวารของเท้าเจดุมะด า, าทั้ง4ี่นี้จะแจ้งถึงความผิดของกฎหลดนั้นไปเราจะรายงานไปถึงเสนาบดีทัานก็บอกชื่อเสนาบดีไว้ทั้งหมด ชื่อบางองก็ข้าทีนะชื่อนักฟังบางองก็ชื่ อ, ช, อชื่อยาวๆบางองก็ชื่อสั้นๆแล้วก็ชื่อเป็นภาษาบาลีนะคือเป็นภาษาบาลีล้วนๆแล้วก็จะรายงานไปในที่สุดก็จะมีการลงโทษแก่บุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าจะตุมาชทั้งสี่นั้นองค์อื่นไม่ค่อยทราบประวัติท่านนะฮะ เ้ากูเวนซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำทิศอุดอรหรือ ท, ท, ที่เราเรียกว่าเท้าเวสุวรรณนะฮะก็มีอยู่ทุกคนทุกแข่งในในบ้านเมืองเราโดยจะเป็นเท้าเจตุมาราชที่ดังที่สุดแล้วก็คนเคารพนับถือมากที่สุดท่านเป็นพระรยบสาวกชั้นโสดาบันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในเกี่ยวข้องกับเรื่องอุบาสิกาตอนตเทรีคาานนะฮะ เพราะ ง, งั้นเมื่อท่านเหล่านี้ได้กราบคูณวิธีปฏิบัติแล้วก็กลับรุง่งชาพระพุทธเจ้าก็ประชุมพระสง์เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยในตอนต้นแล้วก็รับสั่งให้พระสั่งวัทยายในเรื่องเหล่านี้เอาไว้ในอัตถกาลนั้นได้อธิบายถึงอานุภาพของพระสูตรสามสูตรนะฮะที่ที่เราว่ามาแล้วนะฮะรัตนสูตรตะชักสูตรแล้วก็เนี่ย อานาตยสูตรมสูตรนี้ว่าเป็นพระสูตรที่มีอนุภาพในทางป้องกันขจัดอันตรายได้แนะนำวิธีสวดสถานที่สวดแล้วก็โอกาสที่จะสวดเอาไว้มากมายได้เก็เป็นพระสูตรที่ออกจะถือในทรานองขั้งขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตนาตยสูตรนั้นจะไม่สวดในยามปกตินะฮะปกติธรรมดาจะไม่ค่อยสวดจะสวด สวดทอดหนึ่งนะสวดแต่ว่าสวดเต็มรูปนั้นไม่ค่อยสวดแล้วก็จนถึงมีเรื่องราวที่เล่ากันในลักษณะที่ จ, จะแข็งขลังนะฮะจะแข็งขลังผีสางนางโกงก็กลัวอะไรแต่ไรพวกอมนุษย์ก็กลัวจนถึงก็ขอร้องไม่ให้สวดในที่บางแห่งเพราะว่าพวกอมนุษย์ไปคกล้ๆก็ขับผีขับอมนุษย์ออกไปจากสถานที่นั้น คนบางคนที่เขาเชื่อถือในเรื่องนี้ในลักษณะที่ขลังๆเวลาพ่อแม่ตัวเองตายเนี่ยมนพระมาเจเรินพุทธมนบ้านก็ขอร้องไม่ให้พระสวดบทนี้ด้วยไอ้กลัวพ่อแม่จะไม่ได้ข้าวมาอยู่คืออยากจะให้ท่านอยู่ในบ้านนี่ก็เป็นความเชื่อถือในอนุภาพของของพระสูตรในลักษณะขลังนะฮะ มีเรื่องเล่าอันนี้มาได้ยินมานานนะฮะตั้งแต่เป็นเด็กก็จริงไม่จริงไม่รู้นะฮะคนแก่เขาเล่าให้ฟังก็บอกว่ามีคนมานิมนท์พระไปสวดมนต์บ้านช่องสะอาดะอ้านคนเยอะเลยนะฮะพอเสร็จแล้วเจ้าภาพก็ไปบอกพระ บ, บอกว่าแต่ท้าสวดอื่นสวดนะอย่าสวดอาตานาติยาสุดแต่ว่าเขาไม่เรียกอาตานาติยาสวดเขาเรียกยาสวดวิปัสสิ ย่าสวรวิปัสสิตพระท่านก็คล่องปากนะฮะคือพระสูตรนี้เราจะเห็นว่าเราไปสูตรตามลาดับเราไปสวด ต, ตามลำดับพระสูตรอย่างที่ว่ามาแล้วก็เป็นการว่าตามลำดับพระสูตรเหล่านี้อยู่ในู้กุตกาปาทะนะฮะในพระไตรปิฎกเล่ม25้าเราไม่นึกว่าไอ้ที่จริงมันไม่าจาเป็นจะต้องเรียงอย่างนั้นแรละเมื่อนำมาสวด มันควรจะสวดอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัตนสูตรเนี่ยควรจะสวดทีหลังเพราะว่าเราไปอ้างเอาคุณของพระรัตนใจขี้นางบุรา น, นางนวังนัติสัมพวังนะฮะพูดในทํานองว่าทุกภัยโรคเก่าที่ที่ที่มีอยู่ก็ให้หมดไปนะทุกภยัยภัยโรคใหม่ก็อยาให้เกิดมีเมื่อการดับไปของดวงไฟแล้วก็ดับเทียนชัยนะคือลักษณะแล้วมันควรจะไปอยู่ข้างหลังเพราะว่าคาถาเราอื่นก็มีลักษณะในทํานองนั้น ต้องการขาจัดทุกภัยโรคให้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านแต่ในวัะไตรปิฎกท่านเรียงท่านเรียงมันเหตุผลของการเรียงไม่จะเหตุผลของการสวดบางคนละเหตุผลกันแล้พระเราก็สวดมันตามลำดับมันก็คล่องไปงั้นน่ะขึ้นถึงก็มงคนถูดรัตนาสูตรกรณียเมตสูตรขันทปริศแล้วก็ขึ้นไปทัชจักสูตรทัชจักสูตรถ้าขึ้นบ้านใหม่หน่อยก็ขึ้นวัตกะปริศถ้าไม่มีบ้านใหม่ก็ข้ามไปอาตานาติยสูตร ถ้าบางทีไม่สูตรอัตานาที่จะสูตรก็สูตรพโพชงกรปริตจนกระปริดไม่ใช่ อ, อังคุนมาล้ปริตอังคุนมาลปริดแล้วก็ไปโพอชงก็สูตรพชงกรปริดนะฮะไม่ได้เต็มสูตรต่อไปก็สูตรคาถาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปจบก็เรียกก็ส่งเทวดามันสูตรคล่องๆไปอย่างนั้นนะเพราะงั้นหลวงพ่อท่านลืมนะฮะพอถึงจังหวะเลยพอถึงจังหวะถึงทชักกระสูตร สวดทชักกะสูตรวขันธปริตรขึ้นวิปัสสิตเลยพอวิปัสสิตปั้งกับบ้านพังเลย <c oughs> <c oughs> บ้านพังปรากฏว่าเป็นอมนุษย์ไปนิมนต์มาสวดบทพอสวดเข้าวพวกนี้ตกใจไอ้สิ่งที่เรามิดไว้พังหมดเลยพระก็ไปค่อยอยู่บนกิ่งไม้นั่น <c oughs> น่ะไห่เขาเล่าไว้ขลังน่าดูไงเล่าไว้ขลังนาเกินนี่แสดงว่า มีความเชื่อถือในสังคมไทยในเรื่องเหล่านี้มากนะเชื่อถือมากเป็นพิเศษถ้าเราดูเนื้อหาดูเนื้อหาจริงๆแล้วก็พุท ธ, ธานุภาพเช่นเดียวกันในทชัช ก, กสุตรแล้วก็เช่นเดียวกันในกรณียเมตรสูตรหรือเช่นเดียวกันในรัตนสูตรเป็นการอ้างพุท ธ, ธานุภาพเหมือนกันแต่อาตานาตยสูตรไม่ได้อ้างธรรมานุภาพและสังขานุภาพอ้างเฉพาะพุทธานุภาพ แต่เป็นผู้ทานุภาพถึงพระพุทธเจ้าเจพระองค์หรือ28ไม่แน่นะฮะถ้าใหญ่แล้วก็ขึ้นยีเลยถ้าเล็กก็ขึ้นแค่เจพระองค์ด้วยกันจนถึงกับว่าคนใครก็ตามนะฮะขอให้ท่องวิปัสสิตได้แล้วก็ไม่กลัวผีแล้ว น, ะะนี่ๆีแบบไทยนะฮะแบบไทยไทยที่เชื่อเชื่อถือกันมาว่าท่องวิปัสสิตบางทีตัวเดียวนะฮะวิปัสสิตไม่ถึงสนามัตถุหรอก ต่อไปเลยวิปสัสสิตนามัตตุที่จริงก็ไม่มีอะไรนะครับพระเจ้าขอนอบน้อมต่อพระวิปสัสสีสมมาธรรมุตะชาแต่นั้นเองนะครับเวลาแปลก็ไม่น่ากลัวนะท่านหละก็แสดงความนอบน้อมแต่ท่านทั้งหลายได้โปรดเข้าใจนะว่าในแง่ของความเชื่อถือและเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเราต้องมองถึงความฝังใจความฝังใจความปักใจที่เก็บสะสมไว้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนครั้งนะฮะ เก็บไว้สะสมไว้อย่างเงี้ยมันมันจะมีความรู้สึกขึ้นสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านั้นในทันทีทันใดเลยอย่างคนในสมัยก่อนเราจะพบว่าเวลาแกทาปาณาติบาตไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนี้นะฮะถ้าไปต่างจังหวัดพอเห็นพระและก็หลบทันทีเลยนะหลบทันทีเลยต้องทิ้งไอ้ไอ้ไอ้อะไรไอ้เครื่องคราวต่างๆที่จะไปเป็นเบ็ดเป็นไอ้ข้องเครื่องอะไรเนี่ยที่ที่จะไปทาอันตรายสัตว์คือถือว่า ไม่ทํำบาปต่อหน้าพระแต่เห็นพระทิ้งเรื่องเหล่านี้หมดเลยแล้วก็เป็นความขวังใจของเขาอย่างนั้นเพราะงั้นมันมั น, ม, นมันเป็นอัตโนมัตินะฮะพอเห็นพระแล้วก็ต้องชิ้งทันทีเลยเป็นอัตโนมัติที่เขาปฏิบัติกันทั่วทุกคนทุกแห่งในยะเวนกรุงเทพนะฮะคือคื อ, คอเอาเฉพาะข้างนอกตัวนอกเมืองไปนะตามชนนบทท้องถิ่นต่างๆแล้วเขาจะทิ้งเรื่องเหล่านี้ทีนี้อาจากไอ้เจ้า จากความปักใจฝังใจในแนวนี้แม้แต่จะตายไปแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าคนไทยกลัวมากเลยไอ้ผีผีไทยนะ่ะกลัววิปัสสิตมากเลยมันก็เหมือนอะไรนะะมันเหมือนกับคนชาวครีกโรมันคาตอลิกยอมรับอนุภาพของไม้กางเขนเพราะงั้นไอ้เกร ก, กิล่ายิวเลออะไรแต่อะไรเนะี่ยว่าเจอไม้กางเขนแล้วก็กลัวหมดเลยใหญ่โตไปยังไงก็ไม่รู้ฮนะ ถ้าเจอผีไทยมาหักไม้กังเขนทาําให้จึมฟันได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าคนไทยเราไม่กลัวไม้กังเขนนี่มันเพราะอะไรเพราะเราปักใจมาไว้ไม่เหมือนกันเพราะังเขากลัวไม้กังเขมนเขามากแต่เราก็เคารพพระรัตนตรัยเราไม่กลัวหรอกฮะแต่ว่าเราเคารพมากและโดยเฉพาะก็มีความรู้สึกว่าคาถานี้มันเป็นคาถากันผีนะฮะเป็นคาถากาันผีคาถาขับผีอะไรแต่ดูแล้วก็ไม่เห็นกันผีขับผีอะไรนะ เป็นการสรรเสริญพระคุณพระพุทธเจ้าให้ฟังแต่นั้นเองนะ <ๆ S 1> เพื่อให้มีลักษณะเป็นการเทศเพื่อเกิดศรัทธาภาษาธะมากกว่าเกิดเกิดศรัทธาภาษาทะในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้เรียกว่าสิทธัตถะนะเรียกว่าอังคีรสนะฮะเรียกว่าอังคีรัสศาสนาวัตถุขอนอบน้อมนวัตการต่อแต่พระอังคีรส ที่นี่อการนอบน้อมเหล่านี้มันมีอนุภาพออกมาในรูปท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินนะฮะบูชาราหูเขาเรียกว่ากินนะุสันบูชาราหูใช้คาถากินนุสันตรมาโนวะกินนุสันตรมาโนะที่จริงถ้าแ ป, ปแปลเป็นไทยก็ไม่มีอะไรนะฮะทำไมตัวมันสันด้เกิด <laughs> ทำไมตัวมันสันงานงกมาลนะ่ะกินนุสันตรมาโนะกิ่งก็คือกินกินก็คือกินนะฮะ สันตระมาโน ค, ค, คือคือคือใจมันสั่นตัวมันสั่นะสทานสทกสทานมานะเป็นคาถาในลักษณะกลังเหมือนกันแต่เราใช้บูชาพระราหูที่จริงไม่ใช่ราหูแล้วก็ส่งราหูหรือขับราหู อ, อ, อะไรพวกโนบะเคราะห์ทั้งหลายนะฮะประวัติความเป็นมามีแนวเดียวกันเรื่องนี้นคือใช้อานุภาพพราพุทธเจ้า ตามตำนานก็ออกจะเป็นเทวนิยายหน่อยนะฮะแต่ความเชื่อถือเราจะเห็นว่าของพุทธเรานั้นหมายถึงจันเทพบุรและสุริยะเทพบุรไม่ได้หมายถึงพระจันทร์พระอาทิตย์นะฮะแล้วก็มีเรื่องตามตำนานไอ้เทวนิยายไอ้เทพนิทานที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าพระจันทร์เนี่ยฮะพั่นไปไปฟ้องพระศิวะว่า พระราหูแอบมันขโมยดื่มน้ำทิพย์นะฮะพอเงี้ยก็เลยผูกอาฆาตกันนั้นเทวดากับนิสัยเสียม ก, กันนะคืออาฆาตพยาบาทกันแล้วก็เบียดเบียนล้างผลาญกันก็วุ่นไปหมดเลยเทวดาก็ไม่ดีเดอะไรเท่าไหร่หรอกฮก็ว่างๆพระราหุลก็โกรธเพราะพระราหุลถูกจักพระนารายขาดนะฮะถูกจักพระนารายตัดขาดก็กลายเป็นเป็ น, ปนดาวเป็นดาวอะไดาวพูโตหรือดาวอะไรแล้วท่อนหนึ่งก็เป็นโลกเราอีกท่อนหนึ่งรู้สึกจะดาวพูโตรอนะไรเนี่ย ก็ในความเชื่อถือเทพธินานั้นมีลักษณะเป็นคนแต่ว่าในพุทธถือเป็นเทพประบุพระหนึ่งพระราหูถูกอสุริยะเทพประบุจันท h เทพบุตรถูกพระราหูเทพประบุไล่จับตอนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงก็อ้างอนุภาพขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอนุภาพพระพุทธเจ้า มันมีลักษณะคล้ายๆกับอนุภาพมันเหมือนไงอะไระกับมังภายในเนี่ะเือบๆคล้ายๆเลยมันมันพวกนี้เด้งไปเลยนะฮะเด้งออกไปเลยพอจะจับจับไม่ได้ถูกพุท ธ, ธานุภาพคุกคามก็วิ่งเข้าไปข้าวท้าเวปจิตติอสูลเวปจิตติอสุลก็ถามตัวเนี้ยกินอุสารตระมานวะราหุจันดังประมุญยศิร้างวิครูปโป อ, อาคัมมากินนุพีโตวติตัสสิตินะสัจฐานเมเปเลพุท ธ, ธาชีวันโตนสุขั้งนะเพนะ ตตาการท้าปิกีโตมหิตโนเจมุนเจอยจันดิมาแล้วแปลเป็นไทยก็ไม่มีอะไรถ้าปประานเวปจิตติอสูงก็ถามเป็นไงมาตัวสันงานงกทำไมเธอปล่อยพระจันทร์แล้วก็วิ่งตัวสันงานงกเข้ามาทำไมราหูก็บอกว่าเออถ้า ข้าพเจ้าถูกพุทธานุภาพคือคารกล่าวคาถานอบน้อมพระพุทธ เ, ทเจ้าเพื่อคุ้มครองตนของจันเทพบุตรนั้นคุกขามถ้าไม่ยอมวางฮะไม่ยอมปล่อยมือเนี่ยศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงพอ ป, ปล่อยเสร็จก็วิ่งเปิดมานี่เลยนะรับแปลเป็นไทยก็ได้ความอย่างนั้นนะฮะเพราะงั้นเราจะเห็นว่านี้ก็เป็นแนวอนุภาพที่เรามาใช้แล้วเราก็เชื่อแล้ว ก, ก็ก็สบายใจเหมือนกันนะฮะขับพราหูอะไรก็สมัครคนที่เชื่อนะฮะ กับพระราหูออกไปได้สวดกินอุสันตระมาโนวะมันก็แนวเดียวกับวิปัสสิตทีนี้ถ้าเรามองในแนในในแนวที่เป็นองค์ธรรมเป็นหลักธรรมเราจะเห็นได้ว่ามันสร้างความรู้สึกที่จะให้เกิดความอบอุ่นใจของสมบคนระดับหนึ่งนะะ ระดับรัวผีหลอกนะฮะท่านท่านจะเห็นว่าท้าจวจโตมาราชเองก็พูดประรบเอ่อประรบคนที่กลัวผีหลอกนั่นเองคนที่สาธยายในเรื่องนี้อยู่จะมีความรู้สึกว่ามีอานุภาพมีพุทธานุภาพคุ้มครองป้องกันอันตรายให้แก่ตนอยู่อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าระดับอานุภาพนะฮะระดับอานุภาพเรียกก็พุทธานุภาพนั้นท่านที่ไปอินเดีย แล้วถ้าใครยังไม่ไปแล้วก็คิดจะไปนะมาแนะให้อย่านะขอให้นั่งสมาธิที่นั้นด้วยนะไปตอนกลางคืนแล้วไปนั่งสมาธิที่โคนโพก็ดีที่ทําเมกะสถูกก็ดีหรือว่าที่นนี้ผานนะฮะนนี้ผ่านก็นดีหรือที่ประสูตก็ตามคระะับแต่รถ้าเราไปนั่งสมาธิด้วยแล้วเราจะสัมผัสพุทธานุภาพได้เลยโดยเฉพาะที่สัมผัสได้เร็วมากที่สุดก็คือที่ภูเขาคิจกูดนะฮะกับที่พระเจตะวัน สัมผัสพุธานุภาพได้เยอะๆเลยนะฮะเข้าไปเยอะๆเลยถึงใจเลยเพราะว่าที่ประเชศตะวันประทับอยู่ตรงนั้นตั้ง2ีตั้ง19ปีนานน ะ, ะเพราะฉะนั้นานุภาพเนี่ยก็แผ่ไพศารอยู่ในที่นั้นแล้วก็ที่ภูเขาคิจคจากูดก็ประทับนานตรงไหนก็ตามที่ประทับนานนั้นจะมีานุภาพอยู่เยอนะเลส่วนที่ตรงนั้นที่สัตวรู้ที่พิชิตมาน ะ, ะถึงแม้จะไม่อยู่นานก็ตามอยู่เพียงเจสัปดาห์ แต่มีอนุภาพอยู่แยะที่ ท, ที่ต้นโพนะฮะที่ต้นโพก็มีพุท ธ, ธานุภาพอยู่แยะถ้าต้องการจะสัมผัสอนุภาพเหล่านี้จริงให้เป็นนั่งสมาธิด้วยนั่งสมาธิบดึกๆนะฮะไม่เป็นนั่งสมาธิตอนคนเดินนะฮะเป็นนั่งตอน เ, ง, เงียบๆเวลาดึกๆะะก็ไปนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วก็หลับตาภาวนาไหว้พระสวดมนแล้วก็นั่งสมาธิท่านจะเห็นว่าอนุภาพพระพุทธเจ้ายังอยู่แยะเลยแถวๆนั้นนฮ ะ, ะเราสัมผัสได้ด้วยใจของเรา แล้วก็เสียดผิวทีเดียวมันเกิดปีติเกิดปราโมดเกิดยืกเย็นเกิดสงบอะไรแต่ไรเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากอนุภาพของพระพุทธเจ้าแลว้วบางทีก็สยบนะฮะสยบคนก็ว่าพระพุทธเจ้านี่มีพุทธเดชพุทธเตชะนะคอือสยบคนคนเป็นพันพอพระพุทธเจ้าสเสด็จเงียบเหมือนไม่มีคนนี่เป็นลักษณะของการสยบเป็นพุทธเดชพุทธเตชะหรือว่าเดชของพระพุทธเจ้า อันเดชของพระพุทธเจ้าคุกคามแล้วเพราะงั้นไอ้พระราหูต้องปล่อยพระอาทิตย์พระจันทร์เพราะถูกเดชของพุทธเจ้าคุกคามไม่ปล่อยไม่ได้ต้องปล่อยมันจะเกิดอาการเ ร, าร่าร้อนอะไรต่ออะไรขึ้นมาในในตัวของแกเองนะฮะแกก็ ว, วิ่งหนีไปดีเป็นเรื่องในแนวนั้นแนวเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะแนวสุริยสูตรจันทสูตรแล้วก็ทายชักสูตรอาตานาติยสูตรเป็นแนวเดียวกันแต่เราจะพบว่า จันที่มาสูตรกสุริยสูตรและอาตานาตยาสูตรนั้นพุทธานุภาพอย่างเดียวอ้างพุทธานุภาพคือของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วไม่อ้างองค์เดียวด้วยอ้างทีเดียวเจ็ดองค์เลยขนพระพุทธเจ้าลงมาป ก, ป, กป้องอันตรายให้แก่ตนทีเดียวเจ็ดองค์เลยโดยเนื้อหาของธรรมะนะโดยเนื้อหาของธรรมะเรามองเห็นอย่างหนึ่งว่า แต้ที่จริงไม่ใช่ว่าจะพูด28หรือจะพูดเจ็ดหรือจะพูดหนะึ่งะฮะที่จริงก็พูดเรื่องเดียวกันเป็นคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าหมายความพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีคุณอีกอย่างหนึ่งพระองค์อื่นมันก็มีคุณอย่างงั้นแหละจะสมมติว่าเราพูดยนะี่ะตันหังกะโรมหาวีโรนะฮะตันหังกะโรมหาวีโรพระตันหังก่อนนะฮะองค์แรกนะฮะไม่ใช่องค์แรกคือว่าองค์ที่เรานับจากเอ่อจากล่างขึ้นไปแล้วก็ครบองค์ที่ย28นะ่สิบแปด S 1> <S 1> ก็ ต, <รา>ตันหังกนก็คือกระทําให้ตันหามันสิ้นไปมหาวีโรก็เป็นผู้กล้าหานเพราะฉพระพุทธเจา้าทั้งหลายนั้นต้องทําลายตันหาทั้งหมดต้องทาําลายตันหาให้หมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไปแล้วก็กลายเป็นผู้าากล้าหานกล้าในทุกกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าคนที่เกิดกลัวนั้นมีปัญหาหัหวใจนะที่กลัวนั้นมีปัญหา ห, หัวใจทั้งหมด ถ้าไม่มีปัญหาที่ใจแล้วจะไม่กลัวอะไรเลยเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมากลัวนะฮะพระพุทธเจ้าเองในสมัยที่ทรงบำเพ็ญเพียรหยุดนั้นก็ทรงกลัวเหมือนกันนะตอนหนุ่มๆไอ้ตอนตอนใหม่นะฮะตอนตอนที่เป็นเจ้าชายอยู่นะแต่พระองค์วิเคราะห์พระองค์ว่าทําไมกลัวเพวมันทําไมก็เห็นว่าพระองค์มีปัญหาภายในพระทัยก็คัดจัดสาเหตุของปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีว่า ถ้ากลัวตรงไหนก็ยืนอยู่ตรงนั้นจนหายกลัวยู่กลัวในอิรยาบด์ใดจะใช้อิรยาบด์นั้นตลอดจนหายกลัวและจึงเปลี่ยนอิยาบด์จิตมานั่งกลัวก็นั่งจนหายกลัวเลยแก้ปัญหาที่ใจตัวเองให้ได้ยืนกลัวก็ยืนกันจนหายกลัวนี่ก็คือเป็นมหาวีระนะฮะก็เริ่มกล้าหาญต่อสู้กับความกลัวพอบรรลุจัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นผู้ที่เรียกว่ามหาวีโรที่สมบูรณ์ พระพุทธเจ้าทุกองค์จึงเป็นหมหาวีโรไม่ใช่ว่ามีบุมหาวีโรเฉพาะตันหังกระโวไม่ใช่เฉพาะพระตันหังกอดทีนี้ไอ้ชื่อของพระวิปัสสีก็เหมือนกันวิปัสสิสนามัถุจักขุมันตัสสิริมาโตนะฮะเราจะเห็นว่าพระพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระวิปัสสีผู้มีจักรสุและทรงไว้ซึ่งสิริพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลเป็นพุทธคุณนะฮะ ที่จริงถ้าเรามองในเชิงนามธรรมในเชิงนามธรรมแล้วเราจะพบว่าเรียวธรรมอธิฐานนะฮะก็คือการอ้างเอาพุทธคุณพุทธคุณจิตใจยึดมั่นอยู่ในพุทธคุณระดับไหนระดับสาธยายนะฮะระดับสาธยายก็เป็นการป้องกันขจัดพยันอันตรายได้ระดับหนึ่งแล้วในระดับที่ใจมันสงบก็มีพลานุภาพสูงขึ้น ระดับที่เกิดปัญญาพิจาณาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้แนวในการปฏริบัติมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะสัมผัสได้ระดับใดของพระคุณแต่ละบทเท่านั้นเองเพราะงั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นจักขุมาหรือจักขุมันตัสสะทานั้นไอ้จักขุมันตัสสะไม่มีอะไรผมก็อยู่ที่พิพัฒนะฮะจักขุมตโตคือเป็นผู้มีจักสุปอย่างที่เคยกล่าวมาในเรื่องอะไรลืมไปแล้วนะฮะว่า พระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีพระจักสุอยู่5ประการอย่างที่เราสวดไว้พร้อมเบนจะพิจักณสุจรัสวิมลสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็จะจบประจักษ์จริงนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระจักสุอยู่5ประการคือจักสุธรรมดาแในแกเรียกเขาเรียกมังสะจักสุคือตาเนื้อธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อประชนาอายุ80แล้ว สมัยนั้นไม่ไม่มีแว่นนะนะแต่หมายความว่าพระเนตรของพระองค์ก็ยังแจ่มใสทอดพระเนตรอะไรได้อย่างชัดเจนแล้วก็รับสั่งเองไว้ตอนเราเป็นหนุ่มยังไงเดี๋ยวนี้เราก็เป็นอย่างนั้นนี่รับสั่งเล่าเมื่อนั้นก็ประชดมิถุนายนแแล้วนะว่าพระเนตของพระองค์ก็เหมือนเดิมก็จะมองเห็นอะไรก็ได้ชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีทิ ป, ประจักษุคือตาทิพสามารถมองเห็นสิ่งนอกวิสัยของตาเนื้อได้ มีปัญญาจักษุก็คือปัญญาที่รอบรู้ถึงความจริงในสิ่งต่างๆโดยท่องแท้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือปัญญาในลักษณะชแระ ก, กิเลสคือตัดกิเลสออกไปได้มีพุทธจักสุคือจักษุของพระพุทธเจ้าที่ที่จริงก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องของปัญญายานวิชาต่างๆเนี่ยที่มีความลึกซึ้งลงไปในแต่ละจุดซึ่งชาวโลกเขาก็รู้ระดับหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ลึกลงไปในจุดเดียวกันนั่นเอง ในจุดเดียวกันเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าไอสัตว์จะทำทั้งหลายที่มีการเผยแพร่กันในโลกโดยนักปรัชญา ก, ก็ดีนักศาสนาก็ดีเนี่ยในชั้นหนึ่งคนเหล่านั้นก็สัมผัสความจริงนะฮะาสัมผัสความจริงแต่ก็สัมผัสได้นึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาในลักษณะที่เป็นปัญญาจากักษุเป็นพุทธจักสุได้เจาะลึกลงไปว่าแท้ที่จริงยังไม่ยังไม่จบสิน้น ยกตัวอย่างว่าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยเราไปศึกษาในสำนักอุกตกระดาบที่ถือว่าสูงสุดนะฮะพระจบสมาบัติ8ปดจได้รูปฌาน4ีรูปฌานสี่ท่านอุกตกดาบทถือว่ายอดของฤาษีนะฮะสมัยนั้นเนี่ยแล้วเป็นคนที่มีความรู้สูงสุดบรรดาพวกมันเป็นเพียงทางจิตทั้งหลายเท่าที่มีประวัตินะฮะถ้าที่สืบประวัติได้แล้วท่านอุกตกระดาบที่ถือว่าสูงสุด ในเชิงการใช้ปัญญาแล้วถือว่าพราหมภาวารีนี่สูงสุดไม่นับไม่นับครูทั้งหนะครับครูทั้ง6ก็เห็นจะยกเว้นท่านนิครุญน้าตบุตรคนเดียวแล้วเมื่อคนอื่นก็กิ๊กก๊อกมากเลยไม่ได้เรื่องใน เ, เล่าแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ที่ไปได้สูงก็คืออักขิทัตดังนั้นคนเหล่านี้ทั้งทงทั้งหมดเนี่ยถือว่าจุดสุดยอดแล้วของท่านเนี่ยท่านก็ตั้งเป็นอาสมสั่งสอนสิทธิ์หยุดหยุดการสแสวงหา แต่พระพุทธเจ้าทั้งก็มีปัญญาจากสุขซึ่งเขาก็มีนะฮะไม่จะบอกเขาไม่มีคนอื่นโง่ไม่มันโลกมันไม่ได้มีเฉพาะตอนพระพุทธเจ้าเกิดมีมานานแล้วหลายพันล้านปีแล้วแต่ว่าไม่อย่างได้ลึกนะฮะยังไม่ลึกเหมือนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านอย่างได้ลึกในจุดเดียวกันในเรื่องเดียวกันนะฮะในกรณีเดียวกันนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านมองได้ทะลุปโปร่งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถือว่าที่สุดนะฮะพระพุทธเจ้าราับรับสั่งไม่ใช่ที่สุดยังมีอีก มันละเอียดเท่านั้นเองเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองแต่แสดงให้เห็นถึงอาไรแสดงให้เห็นถึงปัญญาแหลมคมคือคล้ายๆกับมองด้วยตาไม่เห็นก็ใช้กล้องจุงลทรรศน์ดูและใช้กล้องอะไรอะไรออซึ่งมันมันขยายได้มากขึ้นไปกว่านั้นก็ไปเห็นที่จริงก็มองในจุดเดียวกันนะฮะตัวการสำคัญอยู่ที่ว่าการละกิเลสได้แล้วก็รู้เหนือวิสัยของคนอื่นทั้งหมด ต่อไปก็อะไรคือสมัญไจักษุได้แก่ประสพพันยุตยานนะครับพันยุตยานที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นในลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะพระวิปัสสีพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูพระโกณาคมพระกัตศพพระโคดกก็คือกัรเนี่ยก็คือการแหละมันก็เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้า สิ่งที่นํามาอ้างจริงๆนะฮะเรามองดูแล้วจะยึดเหนี่ยวอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยพระพุทธศาสนา เ, นเราแตะตรงไหนก็ตามจะต้องสาวไปถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยทุกจุดของบทสวดทั้งหมดด้วยะฮะที่เล่ามานั้นก็เป็นเรื่องของพระสูตรก็ดูแล้วก็คกล้ากล้ก็พิสดารนักเกนนะะินแต่จุดใจใจความเราทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยทุกจุดนะฮะทุกจุดจะจะเกาะ อ, อิงเกี่ยวเนื่องอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดไป จะนับกี่องค์ก็ได้นะฮะจะนับกี่องค์ก็ได้แต่ว่าเมื่อเรามองในแง่ของพระคุณพระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงพระคุณนะครพระคุณก็คือพระปัญญาพระกรุณาพระบริสุทธิ์นี้ก็คือหลักหลักเลยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีเนี้ยทีนี้ยอาการวินิจฉัยสมมติว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าตันหังการโรมหาวีโรเนี่ยตันหังการโรมหาวีโรเมทางการโรมหายะโส อ, อสจียานะ เต่านหังกะโรก็ผู้หักตันหาทำลายตันหาหมาวีโรผู้กล้าหารเมธังกะโรที่จริงชื่อพระพุทธเจ้านะฮะแต่ว่าเป็นนักปราศหมาจโสก็มียศมากมียศยิ่งใหญ่ข้อ น, นี้เราจะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะฮะก็คือพระคุณสามตัานหังกะโรก็คือบริสุทธิคุณถ้าเรามองในแนวพระคุณก็มาล่าตันหาได้ใจมันก็บริสุทธิ์ก็เป็นบริสุทธิคุณนั่นเองทีนี้หมาวีโรกล้าหารนะฮะ กราหารนั้นก็คือพระปัญญาคุณใจมันสะอาดแล้วไม่มีปัญหาก็กราหันอย่างที่บอกก่อนนี้ก็ถ้าเรามองในส่วนผลก็คือไม่ใช่ส่วนเหตุก็คือปัญญาส่วนผลก็คือบริสุทธิ์เมทางกาโรก็อีกแหละเมทางกาโลเป็นปัญญาคุณหินทรชัดเลยเป น, นักปราชญ์มาญาโสมาญาโสดันก็เป็นพระปัญญาคุณในส่วนเหตุนะเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณในส่วนผล ก็แยกได้ออกไปทีหนึ่งงั้นก็น้าไปน้ํามาก็เหลือสามเหลือสามทุกองของพระพุทธเจ้าจะแยกละเอียดหรือว่าจะจะย่อยยังไงก็ตามอนุภาพของพระพุทธเจ้าในในลักษณะนี้จะเห็นว่าเทระวัตเราเองไม่ค่อยจะเอาจิงเอาจังอะไรเท่าไหร่นะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังคือไม่ได้มุ่งที่จะเกาะอิงพระพุทธเจ้ามากเกินไปเพราะว่า พระเจ้า ก, ก็แสดงสถานะของพระองค์ในเชิงการปฏิบัตินะฮะอันนี้ <c oughs> นี่นี่นี่ระดับหนึ่งคือคือเราจะไปไปให้เกิดสับสนว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นนี่ระดับหนึ่งระดับข้างล่างระดับพื้นฐานของสังคมที่จะดึงคนให้เกิดเป็นความสงหบความไม่หวาดหวัน่นต่อพยานอันตรายต่างๆไม่มีอาการขนพองสยองกร้าวนะฮะ หรือว่าถูกผีหลอกหรือผีจริงไม่จริงก็ไม่รู้อะทีนี้ถ้าเรายึดมั่นในแนวของพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นท่านท่านจะเห็นว่ามองในเชิองอนุภาพก็เป็นอนุภาพจริงๆแต่ว่าเราจะสัมผัสได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั่นะก็ขึ้นอยู่กับาเราเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรก็ไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยนะว่างๆพระพุทธเจ้าช่วยด้วยก็ไม่ช่วยยังไงพระพุทธเจ้าไม่อยู่กับเรา เพืต้องเอาให้พระพุทธเจ้าอยู่กับเราเลยอยู่กับใจเราที่สำแดงออกมาเป็นพราหมณภาพในการคุ้มครองป้องกันได้นะฮะอย่างที่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินที่เขาลาบประวัติอาจารย์ฟั่นว่าเกิดตั้งเารนาพุทโธจนพุทโธอยู่กับท่านอ่ะท่านอยู่กับพุทโธตกลงมาจากภูเขาริ่งลุลุลุลุลุมาแล้วลุกขึ้นเดินได้ต่ออันนี้ก็คือพุทธานุภาพมันคุ้มครองมันอยู่กับท่านเนี่ยตลอดแล้คุ้มครองได้ใช่ว่า ปีหไม่เคยสวดมนต์สักครั้งหนึ่งไม่เคยเลึกถึงพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่รับประกันนะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างที่ว่ามาแล้วว่าเหมือนกับเวลาฝนตกเรากั้นร่มขึ้นร่มก็ป้องกันฝนให้เราได้ถ้าเราไม่กั้นร่มก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันนะ่ยมันก็มีเหตุมีผลของเขาอยู่ในตัวของเขาเองอพระพุทธเจ้าเหล่านี้โดยชื่อทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตที่เกิดขึ้นในโลก ในยุคในสมัยโบราณนานไกลเหลือเกินนะฮะคือคือคือตามหลักสายเทรวาสเรานั้นเราถือว่าที่จริงมันก็เหมือนกันฮะคือคือถือเหมือนกันว่าโลกเนี่ยพระพุทธศาสตร์สนาเนี่ยคล้ายๆกับธรรมะเนี่ยมันเป็นกฎนของธรรมชาติแต่คราวหนึ่งมนุษย์จะมีความมืดบอดในสติปัญญามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนไม่รู้เหตุผลแล้วก็กลายเป็นมิจฉาีญญ ฆ่าควันกันเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันซึ่งเราจะเห็นว่ายุคของเราเนี่ยมันขยักจะกกระเดียดกระเดียดไม่กระสัญญีเข้าไปทุกทีนะฮะเด็กนักศึกษานั่งประชุมวางแผนจะจัดอะไรแข่งวอลเลย์บอลอะไรนะฮะแล้วรอคอยเพื่อนอยู่มีพวกไอ้หนุ่มๆเดินมาสีหคนก็มองไปในหมู่นั้นแล้วว่าเพื่อนมานะฮะไอ้นนท์ถือว่าดูหมิ่นศักดิ์ศรีเขาแล้วยกพวกเข้าตลุมบอลแทงเพื่อนตายดูนะขนาดไหน คือฝ่ายนี้มองนึกว่าเพื่อนเขามาท่านั้นเองแต่ฝ่ายนี้ถือว่าดูหมิ่นะคนไทยเนี่ยมองหน้าไม่ได้พอเขาไม่มองหน้าก็โกรธอีกนะฮะไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันเนะฮะลองเดินเพื่อนไม่มองหน้าเลยโดนโกรธนะฮะพอมองหน้าก็โกรธไม่มองหน้าก็โกรธไม่รู้จะเอายังไงนะะรู้จะเอายังไงนะะก็ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่แปลกคล้ายๆก็เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้คือไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันนะฮะ คนประสบความพิบัติเราก็เ ร, เราก็ดีใจบ้างเราก็เสียใจบ้างคนตายนะไม่ใช่เราดีใจทุกรายไม่ใช่เราเสียใจทุกรายบางทีเราดีใจนะะไม่รู้จะเอายังไงกันเพื่อนตายมันน่าจะเสียใจก็เสียใจไปสักงานหนึ่งเนี่ยมันเสียใจบ้างดีใจบ้างกัไไปแน่พอสัตวสูตายดีใจเลยฉลองเลยคนตายก็ดีใจเอาพญาติพี่น้องตายร้องไห้เลยไม่รู้จะเอายังไงนะใจคนนี่เอายากเอาใจยากยิ่งเลยไม่จะเอายังไงกันแน่เรื่องเดียวกันนะฮะ เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามเหตุการณ์ตามบุคคลเพราะฉะนั้นมองหน้าก็โกรธไม่มองหน้าก็โกรธนะฮะทักก็โกรธบางทีไม่ทักก็โกรธนะทักก็โกรธนะถ้าเราไปทําผิดอะไรเราทักเขาก็โกรธนะเวลาไปเจอกันธรรมดาธรรมดาถ้าเราไม่ทักเขาก็โกรธอีกไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันน่ะทักก็โกรธไม่ทักก็โกรธนะตายก็ร้องไห้บงังดีจะ เสียใจบ้างเลยกรเดยวนี่มันก็ไม่รู้อะไรคือเป็นเรื่องที่สติปัญญาเหตุผลในการดํารงชีวิตก็ค่อยๆเลือนหายไปมันก็กลายเป็นยุคที่เราเรียกว่ามิคสันญีนานเข้าไม่รู้เรื่องเลยโลกมันขึ้นๆลงๆก็เหมือนกับลูกคึืนในสุดไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ท่านที่มีสติปัญญาซึ่งไม่ได้สะสมบา ร, รมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดขึ้นมาในยุคในสมัยนั้น มีพระปฏิเจกาพพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ท่านก็รู้ตัวของท่านเองท่านก็พอจะ ช, ช่วยเหลือนิดียวหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับสร้างศาสนาอะไรนานๆเข้าจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในยุคหนึ่งเพราะงั้นเขามีเขาเรียกว่าไอ้กับเสื่อมได้กับเจริญมันมันเป็นยุคเป็นสมัยการมองในในแนวของพระพุทธศาสนานั้นเราไม่ถือว่าโลกนั้นมีอายุเพียงเพียงอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ว่าตอนนี้คนไปจะไกลสี่ห้าร้อยปีนะฮะผมเอ๋วัด วัตถุดักฐานมั น, ม, นมันก่อนพศหกร้อย ป, ปีช่างฮะหกหกล้านปีก็แสดงว่าวิชาการทางโลกได้เปลี่ยนแปลงไปนะฮะลองสังเกตว่าเมื่อ20กว่าปีนี่เราถือว่ายุคประวัติศาสตร์เริ่มมศ 5,000 ไม่ใช่คือว่าย้อนไปห้าพันปีตั้งเองเดี๋ยวนี้ชักจะไม่ใช่แล้วนะฮะเพราะว่าหลักฐานข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นใหมยย่เยอะแยะไปเลยแล้วก็ว่าโลกบางยุคบางสมัยที่หลายหมื่นหลายพันปีหลายแสนปีก็เคยจเจริญมาแล้ว ขุดลึกลงไปข้างล่างก็มีอะไรมีบ้านมีเมืองอยู่ข้างล่างอะไรต่วอะไรนี่ฮะเจนขุดค้นที่โมเห็นโจโดาโรในประเทศอินเดียก็พบหลักฐานต่างต่าหรืออ ย, อย่างเมืองพาราณสีนี่ท่านตัางหลายถ้าไปอินเดียจะเกิสังเกตนะว่าเมืองพาราณสีสองภากนั้นไม่เสมอกันฝากรามนาคร น, นั้นตน่ำน้ําท่วมนะฮะภากอีกภาคหนึ่งนั้นดินสูงเหลือเกินทําไมมันสูงทราบกระดักหักพังทับถมกันอยู่เมืองพาราณสีเป็นเมืองหลวงมาตลอดลเป็นเมืองเจริญ ม, มาตลอด รุกี่ยุ ก, กี่สมัยพระอยู่ริมแม่น้ำนะฮะคนโบราณเขาก็สร้างบ้านอยู่ริมแม่น้ำเลยตรงนั้นประดิมเกิดกศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็เลยก็อยู่กันมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแม้แต่ไฟเผาผีสามพันปีกว่ายังไม่เคยดับเลยนี่ก็เป็นหลักฐานเป็นเรื่องราวในทางประวัติศาสตร์ดังนั้นพระพุทธเจ้าพอท่านเกิดตจสรูแ้แล้วเราจะเห็นว่ามันก็เสื่อมลงไปอย่างในสมัยพุทธกาลเราไม่ต้องดูอืดไกลมากพรุ่งพรุ่งนี้ก็มีอาการอภิปรายใหญ่นะฮะท่านนารู้มนตรีวัานธมวิทยา ปรายใหญ่วิทยากรตั้งเจ็ดคนคุณใช้เวลาวิปรายทตั้ง4ชั่วโมงเอ่อก็มีวิทยากรวิทยากรมากรู้สึกว่าเป็นการอภิปรายแบบปิดรายการปิดรายการข้าพันษาแต่เรามองพระศาสนาเราจะเห็นว่าการประพฤติการปฏิบัติอะไรๆที่จริงก็เสื่อมลงไปะยะ ความเมตตากรุณาความเอื้ออาทรซึ่งการอะไรการความสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวการความมีน้ำใจนะฮะโดยเฉพาะความมีน้ำใจแบบไทยไทยแบบไทยพุทธมันน้อยลงแยะสมัยนี้หาความมีน้ำใจได้ยากได้เกินขนาดรถความในวิ่งพรู ก, กันมาฮะด้วยความเอื้อเฟื้อว่าใครจะได้มากกว่ากันคือแย่งแย่งจากคนรถความในมากกว่ากันสมัยก่อนนี่ก็วิ่งมาช่วยสมัยนี้วิ่งมาช่วยมันตายเร็วขึ้นนะ นี่คือคือคือเราจะเห็นว่าความเสื่อมความตกตนะ่ำในด้านจิตใจบงคนก็เกิดมาเกิดมาดเรื่อยเ่มาถึงจุดหนึ่งะฮะถึงจุดหนึ่งที่มีอะไรในกดปุ่มก็ไม่กีท่ทีมันถึงก็ล้างโลกไม่หายไปได้ดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งพระสุทธศาสนาเองก็อยู่ไม่ได้เพราะหลักธรรมมันทวนกระแสทั้งหมดอย่างที่เท้าวกเวรท่านว่า น, นะฮะท้าวกเวรเนี่ยท่านท่า น, ท, านท่านพูดดีมากนะฮะ ท่า น, นบอกว่าคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั้นเพราะพระพุทธเจ้าสอนทวนกระแสสอนทวนกระแสคือเข้าปฏิบัติอย่างเขาจะไปสอนอย่างคนก็ชอบฆ่าก็ทายุ่งเขาฆ่ายกย่องเป็นเป็นวีรชนเลยฆ่าได้มากมากเาก็ชอบเลยแล้วพระพเจ้าไปสอนห้ามฆ่าสัตว์เขาก็ไม่นับถือทั้งก็บอกคันว่าวกันซื่อๆดีนะฮะก็จริงๆว่าคนที่นับถือพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมองเห็นโทษของอกุศลถ้าไม่มองเห็น อของกุศลไม่มองเห็นคุณของกุศลไม่ค่อยนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนทวนกระแสจากนั้นเลยก็จะเล่นการพนันกันหน่อยก็ไม่ได้บอกว่เาเป็นอายบายามุกนะเนี่ยอาบยามุกเป็นทางเสื่อมจะดื่มเหล้าก็ไม่ได้เป็นอบายามกุกอันนี้ก็ผิดศีล น, นะถ้าเป็นอุบาสกก็จะค้าขายอะไรต่ออะไรอาวุธสัจจาตอนนี้ราคาแพงนะฮะอาวุธสงครามนี่รวยไปไปค้าอิรักอิหร่านได้ภักเดียก็เป็นเศรษฐีนะ ปเจจาบอกไม่ได้ผิดสมบัติของอุบาสกเป็นมิจฉาวนิชฉามันขัดคอเพื่อนหมดเลยว่าไ ง, งานคนที่ที่ที่ไม่เห็นโทษของบาปกุศลเนี่ยเขาจะไม่นับถือถ้านก็เว็ท่านก็พูดดีบอกว่าคนสวดมากแล้วก็ไม่นับถือแล้วก็ท่านก็ใเหตุผลว่าทําไมจึงไม่นับถือเพราะพระองค์สอนทวนกระแสความระพรืติเขาทรืกระแสความระพรืติเขาก็ประพฤติมาอย่างหนึงไปสอนอย่างนี่ฮะท่านท่านจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์ฮะไม่ไม่ ไม่ต้องบอกพอสอท่านท่านไปรู้ท่านท่านรู้เองพระเราถูกถูกถอดเพราะเทศเทศสุวิชาโนผวังโหติดูวิชาโนปราพโวมันะครรู้ดีเป็นผู้เจริญรู้ชั่วเป็นผู้เสือ่อมแล้วอธิบายคำว่ารู้ชั่วป่วยจิการรบราขา้าวฟันเรียนวิชาอาวุธมายิงมาฟันมาทำลายกันนะครับเป็นความรู้ชั่งั้นเนี่ยรู้แบบทำลายทำลนยพระก็่าถูกถอด ถูกถอดจากเวลาชาแกนะชั้นเทพลงมาเป็นซับลงไปหลวงตาเลยขัดกันนโยบายของรัฐดังนั้นอันเนี้ยมันก็ทวนกระแสเมื่อมันทวนกระแสแล้วเราจะพบว่าคนบางพวกนั้นแกไม่นับถือพอทำเนาเราจะให้แกนับถือไปหมดเป็นเป็นไปไม่ได้แกยังมบีเบียนอีก ยังเบียดเบียนทำอันตรายอีกเพราะฉะนั้นพระเราไม่ไปเบียดเบียนเขาแต่ก็ต้องคุ้มครองตัวนะฮะต้องคุ้มครองตัวเองไม่ให้เกิดอันตรายจากไอ้พวกอมนุษย์ทั้งหลายดันั้นเหตุผลที่ท้าวกรเวนท่านถวายกราบถูพุภูตเจ้าจึงเป็นเหตุผลที่แม้ในยุค ป, ปัจจุบันนี้เราก็ําทําได้บางคงจะออกแนวเดียวกับที่ราชการที่หท่านว่านะแม่หวังตั้งสงบจงเตรียมรบไปพร้อมสรรพบางคนละจุดกัน เราต้องการความสงบจริงแต่ว่าอันตรายนั้นเราต้องป้องกันการดำรงชีวิตถึงแม้เราจะไม่ระแวงเขาแต่ต้องระมัดระวังนะต้องรู้จักระมัดระวังคุ้มครองตัวเองให้ปลอดภัยให้ปลอดอันตรายแต่อย่าไปถึงการระแวงนะฮะพอถ้าระแวงบางทีมันก็แรงไปเราจะไม่ไว้ใจอะไรใครกันเลยคนนั่นก็ไม่ดีคนโน้นก็ไม่ดีอะไรแต่ไหนี่ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรกันไม่ได้แต่การระมัดระวังเป็นภาระ เป็นภาระที่ทุกคนจะต้องมีถ้าไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะในปัจจุบันแล้วก็อันตรายมากได้เกิดไอ้ทีนี้คาถาในแนวนี้อนอกจากอะไรนอกจากจะเป็นเชิงที่เป็นธรรมาทิฐานคือพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วท่านจะเห็นว่าท่านก็อธิบายถึงโครงสร้างในการบริหารนะโครงสร้างในการบริหาร ของอะไรของท้าวเจตุมาราชทั้งสี่นะฮะว่าจะมีการรับผิดชอบคือดีนะว่าที่จริงๆคล้ายๆกับมีหน่วยคล้ายๆเจรเนะิญคือตรวจดูลูกน้องว่าไปเบียดเบียนข่มเหงรังแกประทุษร้ายราชฎรหรือเปล่านะข้างบนลงมารับรู้ข้างล่างเลยในโครงสร้างบริหารก็เก่งมากนะคือคือคือข้างบนสั่งลูกน้องที่ลดหลั่นลงมาว่ามาดูใครไปทําอะไรเราต้องรายงานนะฉันรู้ เสนาบดีคนนั้นรับผิดชอบในทิศนั้นทิศนั้นด้านนั้นด้านนั้นก็วางไว้เสร็จ เ, เราจะมองภาพเหล่านี้ในเชิงที่เป็นรูปธรรมนะฮะเชิงรูปธรรมเราจะเห็นว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยพราะสมัยนั้นในหลักรัฐศาสตร์อะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้เรียบเรียงเป็นตำหนักตำนาอย่างเนี้ยแท้ที่จริงก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้จัดระบบอย่างที่เรามาเรียนกันพระเจ้าอาโศกทรงปกครองบ้านเมืองในลักษณะพ่อปกครองลูก แล้วก็มีอำมาจที่ลดหลั่นกันไปคอยตรวจสอบดูทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองพระองค์เองอยู่ในฐานะพ่อจะต้องดูว่าไอ้พี่พี่ดูแลน้องอยังไงมั่งถ้ามีปัญหาจะมีการแก้ไขมีการตำหนิมีการลงโทษกันในพอสมควรแต่สมัยพระองค์ไม่ไ ม, ไม่มีการฆ่าคนนะ ค, คือไม่ลงโทษจนถึงประหารอย่างดีก็ในประเทศหรือกักบริเวณไว้ให้เกิดความหลับจำเท่านั้น นี่ก็คืองานในเชิงที่เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งว่าภาพของโครงสร้างทางการบริหารการดูแลเอาใจใส่สารทุกสุขดิบของคนทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเราถึงแม้จะไม่ใช่ในสายของตัวเองแต่คนเราแลมันเกิดเกี่ยวข้องกันพวกพวกพวกอะไรบริวารของท้าวเวสสุวรรณนั้นที่จริงก็ไม่ใช่มนุษย์นะฮะแต่ก็ต้องดูว่าคนของเราไปเบียดเบียนคนอื่นนหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าดูบริหารเฉพาะคนของเราต่นนั้นคนก็เราดีใช้ได้ประการกระทําดีในส่วนของเรานั้นก็คือชั้นหนึ่งแต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยแต่เบียดเบียนก็ถือว่าเป็นความผิดเป็นโทษที่จะต้องลงจะต้องมีการตำหนิกันและอีกประการหนึ่งก็คือถ้าจะตูมราชอีกทั้งสี่ท่านนะฮะเท้าท้าตทาวิรุฬหกทาวิรุฬปะกันนี ก็ได้พูดถึงการแสดงความนอบน้อมลักษณะความนอบน้อมที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นไม่ว่าจะเป็นการนอบน้อมใครก็ตามจะเกิดสภาพอ่อนขึ้นมาภายในใจที่เรียกว่าอ่อนโยนอ่อนโยนขึ้นภายในใจยอมรับนับถือบุคคลอื่นแล้วเมื่อคนเรานึกถึงบุคคลอื่นก็อย่างต้นวนอะไรนะที่ก็บอกว่าไม่เห็นแก่พระก็เห็นแก่พระเหลื คือหมายความมันมีจุดสักจุดหนึ่งมีจุดสักจุดหนึ่งที่เราจะสร้างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหักข้ามใจเราไม่ให้ไปทําความชั่วความผิดได้แล้วต่อไปมันก็เดินหน้าไปได้อย่างในกรณีนี้ถ้าหากว่าพวกเหล่านั้นมีความนอบน้อมต่อพระพุทธเจา้านะก็ไม่กล้าประทุสรายพระพุทธเจา้าต้นบัญญัติต้นบัญญัติตญญตที่ที่ห้ามพระไม่ให้ตัดต้นไม้นะฮะเหตุการณ์เกิดที่เมืองอารวี เป็นต้นไม้ที่ลูกเทวดาก็สิงอยู่พระตั้งเกิดมันจะทําทกุฏิขึ้นมาท่านก็ไปตัดอเทวดาก็ออกปรากฏตัวเลยบอกขอเธอพระคุณเจ้าจะไปตัดต้นนี้เลยฉันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนท่านบอกโอ๊ยอัตมาชอบไอ้ต้นนี้มันชอบคือต้นไม้ดีจะเอาไว้ได้เลยก็ขอร้องอยังไงก็ม่ยอมท่านก็ฟันโครมลงไปเลยแล้ววันโครมก็ปรากฏว่าไปถูกเอาเทพติดดาเข้าไอ้ลูกเทวดาเข้าเทวดาจะประหารเลยนะครับจะฆ่าพร ะ, ะเลย แล้นึกเดาก็เออคนนี้เขามีเจ้าของนะพระอริยของพระพุทธเจ้านะพระของพระพุทธเจ้าท่านเพราะงั้นอย่าไปทําอะไรต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถึงความคิดของท่านให้ฟังว่ามอมฉันจะประหารจะแล้วนะฮะแต่นึกออกว่าเป็นพระของพระองค์<笑><笑>ก็เลยต้องมากราบทูลให้ทรงทราบไว้ทวยเจ้าก็ทรงอนุโมทนานะฮะอนุโมทนาว่าเป็นความดทีที่ที่ที่เรียกว่าคือพระท่านผิดไปแล้ว ผิดไปแล้วมันเรื่องอะไรเราจะผิดเพิ่มมาอีกคนหนึ่งไปต้องทําบาปผิดอีกคนหนึ่งพระเพียงได้ตัดต้นไม้ตัวเองฆ่าพระเลยบาปหนักกว่าอีกนะพระเจ้าก็ยกย่องสรรเสริญลุกเทวดาที่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้หักฆ่าจิตใจตัวเองได้และในที่สุดเราพอดีเทวดาอีกองคหนึ่งที่ใกล้ใต้นไม้ใกล้ประคันตัวก็ดีเขาจุติพอดีพระเจ้าก็ประทานให้เลย ประธานให้เลยว่าเธอไปอยู่ในที่นั้นเพราะงั้นกลายเป็นวิมานพระพุทธประธานไปเลยก <c oughs> ็ใหญ่โตก็ใครไปวุ่นวายอะไรไม่ได้อันนี้เราเราจะเห็นว่ามันมันมันเกิดจากความสมนึกนะฮะเราเ ท, เทวดารู้กับเทวดาองค์นี้ท่านโกรธพระองค์นั้นแล้วทำไม่นับถือแล้วนะฮะแต่พระนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าจะไปทําอะไรโดยพลาการไม่ได้ก็ต้องกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ ส, งสรงทราบ นี้ก็คือคือคือว่าเรามีจุดสักจุดหนึ่งนะฮะให้นึกเป็นสายใหญ่เอาไว้แล้วเราก็จะสามารถยับยัง้งชั่งใจอะไรได้เป็นนันมากในการกระทำต่างต่างอย่างที่ทา้าเจตุมาราศากองค์ท่านบอกว่าให้มันน้อมน้อมฮะให้น้อม น, น้อมหลวงพุทธเจ้าแสดงว่านับถือหลวงพุทธเจ้าพอไปทำเลยนี่มันพุทธบริษัทนันกศึษา์ลวงพ่อตาเจ้าอุบาสกคนนี้อุบาสกวัดอุบาสกของหลวพุทธเจ้ า, า, น, น, า, า, จานี่อุบาติกาของหลวพ่อตเจ้านี่เนรของหลวงพ่อตเจ้านี่ภิกษุณีของหลวพ่อตาเจ้าเสร็จแล้วก็ถาม ขอให้เริ่มจากจุดเรียเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะไปเอากันมากมายกายกองขอให้เริ่มจุดแรกให้ได้แล้วต่อไปจะค่อยๆเดินไปเองในเชิงพฤติกรรมนะฮะในเชิงพฤติกรรมอย่างที่เคยเคยบอกว่าเราจะไปติดใจตัวเลขของธรรมะถ้าเรากลัวตัวเลขของธรรมะแล้วเราจะมองเห็นธรรมะเป็นภูเขาไปเลยเมื่อเช้าที่ไปออกโทรทัศน์เนี่ยก็ถามในประเด็นนี้มาก็บอกว่ากิ่จะไปมองมันเป็นภูเขามองพระพุทธคุณให้เป็นหนึ่งเดียวนะฮะ ประพุทธคุณธรรมคุณสังคุณที่จริงหนึ่งเดียวแต่นั้นเองขอให้เรามีปัญญาแต่นั้นเองปัญญาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรขัดเกลาจิตใจอะไรเป็นเครื่องหมักหมมของจิตใจนะอะไรที่ควรเว้นอะไรควรประพฤติอะไรเป็นความสงบอะไรเป็นทางเดือดร้อนฮะและจะทำจิตใจของตนให้สงบจะมองคนอื่นด้วยความกรุณาโดยอาศัยการปฏิบัติรงปฏิบัติอะรปฏิบัติดีปฏิบัติจงต้ตองเดินเองฮะเดินไปเองนะ แต่เราจะเห็นว่าคนเราเนี่ยมีการใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยอ่ะไม่ต้องดูอื่นไกลนะออกโทรทัศน์เสร็จมาถึงคนก็เรียกแท็กซี่ให้แต่ที่จะส่งกลับขึ้นวัดยมันเรียกแท็กซี่ที่บรมมาโซมมาเลยน่ะังๆังั ง, ง, งังมาเลยบอกโอ้โหคนเราเนี่ยทำไมมันไม่มีหัวคิดมั้ง กต้องเราเรียกว่าเรียกอ bon. ะเรียกแท็กซี่เรียกเพื่ออะไรเรียกเพื่อนั่งอาศัยมันก็ต้องนึกถึงไอ้มันปลอดภัยดีไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันไปได้เร็วไหมมันต้อง น, นึกต่อไปอะนึกต่อไปพอบอกแท็กซี่พอเห็นป้ายเหลืองๆบอกแท็กซี่เรียกเลยนะเลอแท็กซี่ก็มาคลมๆคลๆคลๆคลุมๆมาแท็กซี่ต้องเยอะแยะไปเยะมั gucken, นไม MM. ่มีความคิดเราจะเห็นว่าความคิดคือไปสักเก้าเดียวไม่ได้คิดต่อไปเลยแม้แต่คนระดับมหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยมาทดลองด้วยกันบอกให้เรียกแท็กซี่เนี่ย เราจะจําแนกคนได้ทันทีไอ้นี่ไม่ใช้หัวเลยมีแต่ขี้เลื่อยเต็มหัวไม่ยอมใช้เลยนี่แท็กซี่มันต้องมองที่ว่าเราอาศัยนะเราสมัครใช้เป็นญาณปานานะอาศัยเราต้องปลอดภัยเราต้องมีความมั่นใจในสิ่งญาณปานานที่เรานั่งเราตัวเราไปนั่งตั้งคนหนึ่งนะ่ะรถมันเกิดไปพังไปเป็นอันตรายแล้วทําไงมันไม่มีความคิดเลยนะฮะนี่ม่นต้องดูอื่นไกลเอาขนาดนี้ว่าปัญญานีนคนไม่ยอมใช้ แม้แต่จะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ยอมใช้ปัญญาซื้อขนมก็ไม่ยอมใช้ปัญญาอะไรพอเห็นสีแดงแดแจ๊กแจกก็กินเลยไอ่ผสมสีอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ไม่ยอมใช้อะยอมใช้ก็เรียกว่าเป็นความคิดสำเร็จรูปไอ้ญี่ปุ่นมันแพ็คใส่กล่องมาให้เมดอินเจแปนล้วก็เชื่ออี้คอได้เลยเราเองก็ไม่ยอมใช้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราจะเห็นว่ามันมันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรที่จะเดินไปไม่ได้ จิตใจของคนที่มีปัญญาปัญญาณตรงกันข้ามกับโมหะนี่นะมันก็ขจัดโมหะออกไปใจมันก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นก็จะสงสารคนอื่นมากยิ่งขึ้นและการขาจัดนั่นคือการขัดเกลาซึ่งเป็นธรรมคุณเนี่ยเป็นการขัดเกลาเป็นธรรมคุณแล้วก็ดึงตนออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างในทีสุดก็สงบด้วยการปฏิบัติขัดเกลานั่นก็คือการปฏิวัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามบทก ส, uh สังฆคุณสี่ขเพราะงั้นสังฆคุณธรรมคุณสังฆคุณที่รวมแล้วนะฮะทั้ง 9ก้ากานะฮะกับ8กับอี6รกรวมกันมา24คบ่ะที่จริงก็หนึ่งเดียวนะในการปฏิบัติและ1หนึ่งเดียวคือเริ่มที่ปัญญาให้ได้เริ่มที่ปัญญาเป็นหลักในการคุ้มครองตัวเองให้ได้แล้วในที่สุดธรรมะเราอื่นจะเกิดขึ้นติดตามมาสังกัคุณพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณจะเป็นทั้งในด้านอนุภาพป้องกันอันตรายอย่างที่ว่านะฮะ ในขณะเดียวกันทั้งในด้านรักษาและในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นนี่ก็เป็นอาตานาตยสูตรเป็นสูตรที่เป็นไปในแนวเดียวกันนะและจะออกมาในต่างครั้งๆต้องการอนุภาพแต่ก็มีผลในกา ร, รกาปฏิบัติหลายชั้นทั้งชั้นขออนุภาพคุ้มครองทั้งชั้นที่ให้บางเกิดขึ้นเป็นความสทาเรื่องสายภายในและในการอภิบาลรักษาบุคคลเหล่านั้นซึ่งว่า คนจะได้รับผลจากประสุ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถดึงมาใช้ในระดับใดและผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นในดับนั้นามรมบันนี้ก็ยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเออ